ตอนวางจึงว่างวันที่ยี่สิบหกกรกาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยยมิตรทุกคนนั่งสบายๆนะก็ที่นี่เราไม่มีกติกานะแต่เราต้องมีจิตสำนึก เวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมไม่ใช่เวลาคุยกันนะรู้จากหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราเราเป็นลูกหลานของพุทธเจ้านะเราต้องรู้หน้าที่นะทางโลกห ย, ยาบหยาบต้องรู้มารยาทรู้กาลเทสะให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติผู้พูด นะอันนี้บางคนเนี่ยปล่อยอิสระก็คุมตัวเองไม่ได้นะก็พอครูดูแล้วหลายปีเนี่ยไม่จําเป็นจนถึงวันนี้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ตั้งกติกาไม่ตั้งข้อบังคับอยากให้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ <c oughs> นะแต่ที่มันหมิ่นเม ก, กับการสร้างกรรมมากถ้าบุคคลที่คุมตัวเองไม่อยู่ทําตามกิเลสนะ ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> ก็บางครั้งก็ต้องใช้เตือนๆกันนะคื อ, เ, อ, อเราจเจริญมากเราต้องใช้สติ <c oughs> ถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนทําผิดกติกาแล้วมีคนจ้องจับผิดกันมันจะมีคนถูกคนผิดนะ เ, เราไม่ต้องมีกติกาไม่ต้องมีคนถูกคนผิด แต่มันก็มิ่นเมจะมีคนสร้างกรรมยิ่งมาสร้างกรรมในสถานธรรมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์นะมันเป็นกรรมหนักนะก็พยายามมีสติกัน เ, เรื่องจิตวิญญาณทำเล่นไม่ได้นะก็ก่อนเข้าถึงคำถามเยอะเลยวันนี้นะพวกครูก็ขอเกินแล้วก็แจ้งข่าวพรุ่งนี้เช้าทานอาหารเช้าเสร็จนะ ก็กะว่าอย่าไปอย่าเลยแปดโมงเช้าก็ไปตรงพลรานธรรมข้างหลังเนี่ยนะเรามีการบวชไม่ชีสสามพันะพรุ่งนี้ก็ไปลงไปร่วมอนุทนาด้วยแล้วก็เมื่อลืนนี้วันที่ย8เราก็บวชพระภิกษุรูปหนึ่งไปที่เจ้า เจ้าคณะตำบลพวกเราก็ไม่ต้องไปนะฮะแล้วก็บวชเนนด้วยนะก็พรรษานี้ก็มีทั้งบวชชีบวชเนนะบวชพระนะก็ครบองนะแล้วก็วันที่สาสบวันอาสาลาบูชาหลังจากเราทํบวัดเย็นที่นี่เสร็จก็ถ้าฝนไม่ตกก็คงได้ไปเวียนเทียนอยู่ตรงฐานพระใหญ่ แล้วก็เช้าวันที่สามสบดวันเข้าพรรษาเราก็ทำบุญตักบาตรนะพระภิกษุสามเณรคุณไม่ชีก็บิณฑบาตนะส่วนตอนเย็นนะพระภิกษุท่านก็ภาวนาตัวเข้าพรรษานะก็ก็แจ้งเข้าๆนะก็ยื่นนะทีละใบทีละใบทีใบก็ก็กลายเป็นว่ายเยอะเหมือนกันนะก็พอครูไปเร็วๆ เ, เลยนะ คำถามแรกพุทธคุณมีจริงไหมนะตอนนี้ความรู้เรามาันในรูปของภาษาเราก็เอาภาษามาตั้งโจทย์แล้วก็มาถกกันว่ามีจริงไม่มีจริงนะทีนี้บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความศรัทธาเรื่องความเชื่อเนี่ยบางทีมันพูดด้วยเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าถามพวกครูพุทธคุณมีจริงไหมนะถ้าพุทธคุณ ในแง่เรื่องไสยศาสตร์เรื่องไปท่องบนแล้วก็ขอนวนขอนี่อันนั้นพ่อครูจะไม่วิจารณ์นะแต่สําหรับพ่อครูเองเนี่ยโดยประสบการณ์ตัวเองแล้วเนี่ยนะตอบว่ามีจริงแน่นอนโดยเฉพาะพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์ไม่งั้นพ่อครูไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะพุทธคุณถ้าแปลตรงตัวคือคุณของพระพุทธเจ้านะ มีแน่นอนนะแล้วก็ทําให้พ่อคูเปลี่ยนชีวิตทําให้พระกูเลิกนับถือพุทธเจ้าทันทีเลยเพราะคําว่านับถือนี่หยาบไปบูชาถวายชีวิตพระองค์นะอันนี้คือคําตอบเลี้ยงลูกอย่างไรให้ถูกวิธีนะทีนี้คําว่าวิธีน่ะนะแต่ละชนเผ่าแต่ละเผ่าพันธุ์นะแต่ละชนชาติ ก็มีอุบายวิธีต่างกันมันมีวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันแต่หลักใหญ่ๆในคนโบราณของไทยเราบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคนโบราณเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเนี่ยเาก็จูงวัวไปแล้วก็ผูกไว้ผูกไว้ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็มีย่าสมบูรณ์แล้วก็ไม่นานเขาก็ตามไปดู เมื่อยากมันหมดเขาก็ย้ายใหม่เขาก็ผูกไว้ไม่ให้กลัวเนี่ยเดินไปตกลมตกเขวตกบอ่อไปบุกลุกที่คนอื่นในเขายิงตายนั่นเขารักกัวเขาแต่ปัจจุบันนี้ปล่อยเลยเขาไม่รักกลัวเขาเลี้ยงกัวเพื่อจะฆ่าเพื่อจะขายเท่านั้นเองเขาไม่ได้รักมันนะทีนี้คําว่ารักลูกให้ตีเนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่าเอาไมา้ตีเขาไปลงโทษเขานะเดี๋ยวเฉพาะนักเรียนที่นี่เพราะครูเตือนครูทุกคนแต่บางครั้งครูก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ นะบอกว่าเขาเป็นนักเรียนนะเขาไม่รู้เขาถึงมาเรียนเขาไม่ใช่นักโทษนะไม่ใช่ไปตีไปลงโทษเขาแบบนั้นคาว่าตีเนี่ยคือตีกรอบให้เขาอยู่ในทานองครองธรรมที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เราลักลูกเราต้องการให้ลูกเก่งนะแล้วก็ตามใจลูกเพื่อให้มันเก่งนะเอาอะไรเอาให้หมดเลยขอให้มึงเก่งนั่นคือลักทุกไม่ถูกทางนะ เพราะยุคนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องการเก่งก็อยากชนะก็สอนให้ลูกต้องเก่งนะอันนั้นแหละคือรักลูกไม่ถูกทางไม่ตีกรอบให้เขาตามใจเขาทุกเรื่องเพียงแค่ต้องการให้เขาเก่งนะตอบว่านั่นคือรักลูกไม่ถูกทางต้องตีกรอบให้เขาอยู่ในทานองของธรรมที่ควรจะเป็นแล้วชีวิตเขาเนี่ยจะปลอดภัยด้วยแล้วต้องการเก่งแล้วก็ทรงเขาไปไหนไมร่รู้แม่ก็คิดถึงลูกลูกก็ถึงแม่นะ ต่างคนต่างทุกเพื่อความเก่งของเขานะแล้วก็ยุคนี้เราถูกไม่ต้องเอ่ยว่าประเทศไหนเขาหลอกเราว่าเขาก็อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะเพื่อจะทําลายวัฒนธรรมเราไม่งั้นเขาเจาะไข่แดงเราไม่ได้นะอ้างสิทธิเสรีบังเอิญไอ้คำนี้กิเลส ช, ชอบมากกิเลสมันชอบมากถ้าสิทธิเสรีภาพมันจะได้ทําตามใจตัวเองนะก็เข้าล็อกกิเลสนะทีนี้คนที่เขาใช้ไอ ไอเดียความคิดตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห่วงเราว่าเราจะดีเราจะร้ายยังไงเขาใช้อุบายวิธีเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำลายวัฒนธรรมเราซะนะเราทำลายกรอบเราหมดนะแล้วทุกคนอ้างตอนนี้เด็กๆ ก, ก, ก็ขยันเข้าใจเรียกร้องสิทธิแต่ลืมหน้าที่ของความเป็นคนดีนะของเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะเป็นมนุษย์โลกที่ดีนะ ลืมหน้าที่มีทิฏฐิมานะอวดเก่งนะแล้วก็สร้างกรรมตลอดถ้าในทางจิตวิญญาณเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้มันอันตรายนะถ้าไม่บวชจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่การบวชนั้นคล้ายๆว่าหน้าที่นักบวชก็คือบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อบรรลุธรรมเราก็ได้เปรียบอาชีพ อ, อื่นนะ แต่ถ้าเราไม่บวชเราก็ไม่ทำงานไม่ไปทำอะไรเนี่ยคนเขาก็ด่าเราอีกว่าเราอีกนะแต่ถ้าเราบวชปุ๊บเขาก็รู้ว่านหน้าที่นักบวชเนี่ยเขามีหน้าที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคือโอกาสที่บาเพ็ญเพียรหรือปฏิบัติธรรมก็ง่ายกว่านะทีนี้คำว่าบรรลุธรรมเนี่ยถ้าไม่บวชจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมใครบรรลุธรรมอะไรเป็นตัวบรรลุเป็นเรื่องของจิต มันไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรือทรงผมหรืออาชีพนะจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมจิตเป็นตัวบรรลุธรรมแต่บังเอิญว่าอาชีพนักบวชโดยเฉพาะในพุทธศาสนาเนี่ยผู้เจ้าตั้งพุทธบริษัทสีขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่างกันนะนักบวชไม่ว่าภิกษุภิกษุณีสามเณรภิกษุณีหรือว่าไม่ชีเราก็ช่างเนี่ยนะ ก็มีหน้าที่ศึกษาธรรมไม่ต้องกังวลเรื่องทํามาหากินนะส่วนพวกเราผู้ครองเรือนอุบาสกบาศิกาเนี่ยต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เอาเวลาว่างเนี่ยไปเลี้ยงพระเลี้ยงนักบวชเขานะเพื่อตัวเองจะได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติคือการให้ทานปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งสมาธิจเจริญสติหลับหูหลับตาอย่างเดียวนะอันนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นคือ ไปฝึกสมาธิฝึกสติเฉยเฉปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาการให้ทานเป็นปฏิบัติธรรมนะผู้ครองเรือนเราผู้เจ้าก็ให้ที่ว่าถือศีลห้านะส่วนนักบวชนั่ น, นเนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่ต้องไม่ต้องทำมาหากินต้องมีศีลเยอะหน่อยหนึ่งนะพระภิกษุศีลสองยี่สิบเจ็ดนะจริงๆแล้วเนี่ย บังเอิญสังคมไทยยังไม่ยอมรักพิษุนีนะแต่สำหรับพระครูแล้วเนี่ยพระครูไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้อันนั้นเป็นแค่ชื่อสมมตินะขอให้เราเราเป็นนักบวชนะแต่นักบวชต้องทำอะไร <c oughs> พิเศษกว่าผู้ครองเรือนนะ้วก็ต้องโกนผมนะเมืองไทยเราโกนคิ้วด้วยนะแล้วก็แต่งชุดเสื้อผ้าง่ายๆไม่ต้องกินอาหารมื้อเย็น ถ้าเราไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงมาทำบุญกับเราทำไมอันนี้เป็นอุบายวิธีที่แยบยล น, นะศาสนาดำเนินมาได้ทุกวันนี้เนะี่ยเพราะพุทธบริสตสีนะทุกคนทำหน้าที่ที่ต่างกันก็คำถามก็คือว่าถ้าไม่บวชจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมตอบว่าได้เรื่องการชดใช้กรรมในกรรมฐาน ถ้าในช่วงเวลาปฏิบัติจิตสั่งให้เอาหัวโขกเสาหรือต้องตีลังกาเอาหัวปักพื้นซึ่งมีโอกาสคอหักได้เราควรทำหรือยับยัง้งไม่ทำคะโดยสัญชาตญาณเด็กๆมันก็ไม่ทำเนาะคนขาดสติเท่านั้นถึงจะทำที่ว่าตามจิตไม่ตามใจ ตามจิตรู้เท่าทันจิตแต่ไม่ใช่ไปเชื่อจิตทุกเรื่องอารมณ์นั้นมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถ้าอารมณ์มันอยากชนเสาปุ๊บเราก็ไปเป็นมันเราก็ไปชนเสาเราก็คอหักนะอารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะแล้วที่ว่ายอมตายในกรรมฐานคืออะไรคะนะมันจะเป็นอารมณ์นั่นแหละมันเป็นอารมณ์ว่ามันกำลังจะตายแล้ว นะเราก็เห็นมามันตายไม่ได้ไปหยุดยั้งมันไม่ได้ไปหยุดยั้งมันอารมณ์ตายนั้นก็มีไว้ให้เห็นเหมือนกันไม่มีไว้ให้เป็นนะเราก็ดูเราก็รู้ว่ามันอารมณ์ตายมันจะเป็นยังไงเห็นอารมณ์นั้นชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นมันเราก็กลัวตายจริงๆเนี่ยเราก็หยุดเราก็หลุดจากกรรมฐานนี่แหละคำว่า ต้องตายในกรรมฐานคือว่ามันอยากตายก็ตายสิมันเอ า, าเอาความตายนั้นมาหลอกเราว่าเรายอมไหมนะถ้าเรากลัวตายปุ๊บเราก็โดนมันหลอกนะอารมณ์น่ะเราเห็นนิมิตต่างๆเห็นอะไรต่างๆเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตเขาสร้างอารมณ์สร้างนิมิตนะั้นนำมาสอบเราว่าเราทันไหม ถ้าเราจำคำว่าเวี่ยงทิ้งหรือว่าสัตตว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยอะไรก็หลอกเราไม่ได้แต่บังเอิญว่าจิตปัจจุบันบังเอิญเรามีกิเลสด้วยอยากรู้อยากเห็นเห็นปุ๊บอะไรวะเออเห็นปุ๊บอะไรนะก็ไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปเป็นมัน่ะไปวิจัยมันป๊บก็ถูกมันดึงเข้าไปนะใช่ต้องทำทุกทุกอย่างที่จิตสั่งแม้จะตายก็ต้องยอมหรือเปล่าคะ นะมันไม่ใช่ตายมันเป็นอารมณ์ที่มันกำลังจะตายเป็นแค่อารมณ์เฉยๆไม่ใช่มันบอกว่าเราโดดหน้าผาตายเลยอย่างนี้เราก็ต้องตายตามมันเนี่ยนะนั่นเด็กมันก็ไม่ทำนะมีคนโง่เท่านั้นจะทำเนาะเพราะเขาคงไม่เอาถึงตายแต่อาจบาดเจ็บสาหาัสเนื่องจากกรรมที่ต้องมาชดใช้เราเข้าใจผิดแล้วนะไม่ต้องแบบนั้น รับกรรมทางจิตรับกรรมจากความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่บอกตีฝาชกฝาอะไรนี่แล้วก็ไปชกตามมันอันนั้นคนโง่รับถึงจะทำแต่เรารู้สึกว่ามันทุกข์มันเจ็บปวดมันโกรธอารมณ์โกรธนั่นละก็เป็นการสะท้อนออกถึงความกําลังใจยนี่กรรมอยู่เราวม่น่าที่รู้เท่าทันมันเท่านั้นเองแล้วถ้าไม่ยอมทาหรือไม่ชดใช้กรรมในเวลาปฏิบัติแล้ว เมื่อออกจากกรรมฐานจะต้องถูกชดใช้กรรมที่หนักกว่าในเวลาปฏิบัติทำกรรมฐานจริงหรือไม่คะเวลาไม่อยู่กรรมฐานเนี่ยเราจ่ายดอกเบี้ยแต่อยู่ในกรรมฐานน่ะจ่ายเงินต้นด้วยแต่รับกรรมทางจิตคือรับด้วยอารมณ์รู้สึกทุกข์นะเราเสพอารมณ์นั้นรู้สึกทุกข์ แต่ไม่ใช่ว่ามาทําร้ายร่างกายเราเนี่ยให้มันเกิดความทุกข์จริงๆนะกายในกายเวทนาในาจิตในจิตธรรมในธรรมอารมณ์มีอยู่สองส่วนส่วนอยู่ข้างนอกเรียกว่าเวทนาในเวทนาส่วนที่อยู่ในจิตต้สำมึกเรียกว่าธรรมในธรรมคือธรรมลมเป็นอารมณ์ในอดีตนะอารมณ์มีสองอย่างคือข้างนอกกับข้างในนะทั้งนอกข้างในก็ช่างนะ รู้เท่าทันมันรู้เฉยเฉยที่เรารู้นี่เหมือนเรายอมรับมันลหละแต่แต่แต่ไม่จำนนไม่ไปให้นัยยะไม่ไปให้ความสำคัญรู้เฉยเฉยนะการที่เราเข้าไปเห็นว่าตัวนี้แหละที่ทำให้เราสุขและเราทุกเราจะทำลายตัวไหนผู้เห็นหรือผู้ถูกเห็น และเราจะทำลายเขาได้โดยวิธีใดแบบไหนทำลายโดยไม่ทำลายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยรู้เฉยๆเราเกิดติดนิสัยว่ามีอะไรเราไม่ชอบปุ๊บฉันจะจัดการมันนะอะไรชอบปุ๊บฉันจะกอดมันไว้นี่คือกิเลสเรานะโอ้มันสุขเพราะอย่างนี้เพราะมันสมหวังนะโอ้มันทุกข์เพราะมันผิดหวัง นะผิดหวังก็ช่างสมหวังก็ช่างรู้เฉยเฉยนั่นวิธีทำลายก็คือรู้เฉยเฉยอย่าให้อารมณ์นั้นมันครอบงำเราได้มันก็ไปอยู่ในข้อแรกก็คือว่าอารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรทีนี้เราคุ้นเคยกับว่าต้องมีการกระทำสิแม้กระทั่งคำว่าเบี่ยงทิ้งเราก็เข้าใจว่า i, เฮ้ยเบี่ยงมันทิ้งอารมณ์ไม่ดีกูเบี่ยงมันทิ้งนะ่ไม่ใช่ ไม่เชี่ยไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งไอเวียงทิ้งเป็นเตือนเราว่าเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งคือเตือนสติเราอย่าไปติดมันอย่าไปติดมันรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆนั่นแหละคือตัวปัญญาแต่ทีนี้เราไม่รู้เฉยๆเพราะความอยากรู้เรามันก็มีกิเลสเราอยากรู้ทุกคนแหละเห็นปุ๊บก็เอามาคิดและ้ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้อันนั้นเราไม่เฉยละ เรามีอการสร้างมโนกรรมปรุงแต่งขึ้นมาแล้วนะคำตอบเราจะได้คำตอบที่ไม่แท้จริงคำตอบเกิดจากจิตซึ่งมีกิเลสปรุงแต่งแค่รู้เฉยๆแล้วรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็เห็นความเกิดดับอารมณ์สุขมันก็เกิดแล้วก็ดับอารมณ์ทุกข์มันก็เกิดมันก็ดับนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วปัญญาเห็นเกิดดับปัญหาเห็นว่าเฮ้สุขก็ไม่ใช่สุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนตตา สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเขาไปสัมผัสบ่อยๆบ่อยๆไม่ถ้าใช้คำว่าเห็นปุ๊บแล้วก็ไปจะคุ้นเคยว่าจะไปนั่งเพ่งดูมันพอนั่งเพ่งดูพวกมีการเพ่งดูเกิดขึ้นแล้วมีการกระทาโดยการเพ่งดูเพราะอยากเห็นนะวิปัสสนาจะไม่เกิดรู้เฉยๆรู้โดยการเห็นเป็นนิมิตรูร้โดยการสัมผัสก็ช่างรู้เฉยๆ น่คือสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นนะทำโดยรู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่มีการกระทาเกิดขึ้นนะจิตมันเป็นตัวรู้อยู่แล้วไม่ต้องมีการกระทำว่าต้องตั้งใจไปรู้ถ้าตั้งใจไปรู้ปุ๊บมีการกระทมเกิดขึ้นโดยการตั้งใจวิปัสนาจะไม่เกิดนะมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกมันนึกเอาจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้อยู่ในทางสายกลางระหว่างทางโลก และทางธรรมคือจะใช้ชีวิตทางโลกแบบไม่หลุดจากมักคิจิตไม่ต้องไปแยกโลกแยกธรรมนะเราก็อยู่บนโลกตอนนี้เรานั่งอยู่บนผิวโลกนะแล้หนีไปในป่าไหนก็อยู่บนโลกนั่นแหละทีนี้ไอ้กิเลสมันพยายามจะแยกว่านี่คือทางโลกทางธรรมนะทางโลกต้องซิ่งต้องมีาลาภยศสริเสริญนะอย่ามายุ่งกับฉันนะ กิเลสมันบอกอย่างาอย่งนั้นคือเธอทางธรรมเธอก็เดินของฉั น, นฉันอยู่ทางโลกอย่ามายุ่งกับฉันมันเป็นคําพูดเป็นความเข้าใจของกิเลสมันหลอกเราถามว่าทางโลกที่เราหมายถึงนี่ตายไหมตายตายคือธรรมะอย่างยิ่งทางธรรมหมดอะเห็นไหมเอาเป็นว่าเหมือนกับทางโลกยุคนี้ซะทางโลกยุคนี้ต้องไปกดกดกดกดกดเดิน ไ, ไหนก็พูดอยู่คนเดียวพูดโทรศัพท์นะ เห็ไหมทางโลกตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อห้าสิบปีก่อนทำไมไม่เป็นแบบนี้คนห้าสิบปีก่อนเขาก็อยู่กับโลกนะอันนี้เป็นโลกปรุงแต่งโลกสมมุติมันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงทางโลกทางธรรมทางเดียวกันคือตายเหมือนกันไม่ต้องแยกแต่ว่าเราเรามอาีอาชีพต่างกันแล้วก็ถ้าอยู่ในมัคจิตเนี่ยนะขับรถก็อยู่กับการขับรถกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าว อาบน้ำมาอยู่กับการอาบน้ําอยู่ปัจจุบันตลอดนั่นคือมรรคไม่ใช่มาอยู่แค่ศาลาอันนี้นะไม่ใช่นั่นแหละเราอยู่ในมรรคในทางคืออยู่ปัจจุบันไม่หลุดจากมรรคไม่ใช่ว่าขับรถด้วยนะฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้นไม่ใช่มรรคอันนั้นคือมรรคมากมรรคมากทีเดียวอยากทําหลายเรื่องเพราะความอยาก ถ้ามัจจริงๆเนี่ยมัจคือทางเดินมุ่งสู่การพ้นทุกข์ก็คืออย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นคือมัจแต่ถ้าในขณะเดียวกันทําหลายอย่างอันนั้นไม่ใช่มัจอันนั้นคือมัจมากนะต้องเข้าใจนะมัจอย่าไปคิดว่าอุ้ยต้องปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งเฉยๆอยู่ในป่าคนเดียวอะไรนะั่นอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นเป็นอริยบท ถ้าเราไปนั่งในป่าเฉยๆแล้วก็อยู่กับที่เรานั่งไม่ต้องไปคิดพอไปนั่งในป่าหลับตาปุ๊บคิดถึงในกอคิดถึงในขอไปกรุงเทพไปลอนดอนไปอะไรอันนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับหลายร้อยคนเลยนะแล้วหลอกคนคณนื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้อันนั้นเป็นแค่รูปแบบนะมันอยู่ที่ความรู้สึกของจิตถ้ารู้ตัวว่าชอบคิดอกุศลอยู่บ่อย ควรแก้ไขอย่างไรคะในเมื่อมันคิดไปแล้วนะคะเอออันนี้ก็รู้แล้วไงว่าคิดอกุศลก็อย่าคิดสิก็ง่ายๆเลยก็คืออยากคิดไงก็จบเพราะครูเคยบอกบางคนถามว่าพ่อครูอยากจะเลิกเล่าทํำยังไงนะอยากเลิกเล่าก็หุบปาก อยากเลิกบุรีทัไงก็อ้าปากมันมันมันง่ายๆมันคิดอกุศลก็รู้อยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นอกุศลก็อย่าไปคิดไม่มีใครบังคับให้เราคิดนะแต่เราสู้กิเลสไม่ได้ปัญหาคือว่ากิเลสความเคยชินเรามันชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีนั่งอยู่เฉยๆก็หาเรื่องคิดเกลียดมันอิจฉามันแล้วก็ตัวเองก็ทุกข์อยู่เห็นไหม อันนี้เราก็พูดอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเราชอบคิดอกุศลแสดกว่าเรารู้คิดเรื่องว่าบางคนมันคิดมันไม่รู้ว่าเป็นอกุศลมันคิดตามกิเลสมันไม่รู้เลยเมื่อเรารู้แล้วเราก็อย่าคิดเท่านั้นเองก็แค่นั้นแม้กระทั่งเวลาเราเราเต้นเราเราลามเราหมุนติ้วตๆ้วติ้ ว, ว, วเร็วๆเลยนะมันก็ยังไม่เลิกคิดนะก็อย่าไปคิดตามมันสิไม่ใช่หน้าที่เราไง หน้าที่เราหมุนก็หมุนหน้าที่เราเต้นก็เต้นหน้าที่เรากลั่ก็ลำมันคิดมันก็คิดไปไอ้กิเลสมันคิดไปเลยบอกมันมึงอย่าหยุดนะเดี๋ยวมันก็เมื่อยถ้ามันหลอกเราคิดตามมันไม่ได้มันก็หยุดเองแต่บังเอิญว่าจิตปัจจุบันเราเนี่ยก็ชอบคิดอยู่แล้วไงกิเลสเจอกิเลสมันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็สนุกสิเห็นไมรู้แล้วว่าเราคิดอกุศลก็ไม่ต้องคิด มันเผอคิดอีกรู้เท่าทันก็อย่าไปคิดอย่าไปเชื่อมต่อความคิดนั้นสักแต่ ว, ว่ารู้สักแต่ ว, ว่าเห็นเนี่ยคำว่าสักแต่ ว, ว่าเนี่ยใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดการอวดรู้กับการหลงในความรู้แตกต่างกันอย่างไรคะนะและควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะไม่ให้เข้าข่ายในสองลักษณะนี้นะก็ไม่ต้องอวด อ, อวดรู้นี่ส่วนมากมันเป็นคำพูดที่ว่าไม่รู้จริงแล้วก็จําอวดพูดในสิ่งที่เราไม่รู้จริงอันนี้ก็เรียกว่าอวดรู้แต่การหลงรู้นั้นเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วก็หลงในความรู้เรายกตัวอย่างว่าตอนนี้ความรู้สูงสุดเราเรียกว่าจบปริญญาเอกเขาก็ให้ชื่อขึ้นชื่อนำหน้าว่าเป็นด็อกเตอร์เราเรียนเกือบตายเพื่อต้องการชื่อตรงนี้ ตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยราชการเหมือนกันนะเราโชะมีขั้นนั่นขั้นคันั้นนีเราทำทุกอย่างเพื่อเราจะได้มีชื่อพิเศษกว่าคนอื่นเพราะมันเป็นการมาดวัดว่าเรามีความรู้มากกว่าคนอื่นอันนั้นเรียกว่าหลงรู้ทาไมเรียกและเราจะแยกได้ไหมไงว่ามันหลงรู้หรือมันรู้จริงๆถ้าความรู้ใดที่ทำให้เราสร้างกรรมความรู้ใดที่ทำให้เราทุกมันคือความรู้ผิดทั้งสิ้น จบด็ตรคุยกันไม่รู้เรื่องพิสูจน์เลยว่าความรู้ที่เขารู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของจริงเป็นความรู้ผิดเขาหลงว่าเขารู้บังเอิญสิ่งที่เขารู้นี่ยมันรู้ผิดมันถึงทะเลาะกันถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องมันจะไปทะเลาะกันทําไมเห็นไหมชาวนาเขารู้รู้นิสัยควายเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาเลี้ยงมันมาเขาก็จุงมันมาควายก็รู้ขั้นนิสัยชาวนา มันก็รู้้ดยไม่ต้องไปบอกว่าฉันรักเธอนะไม่ต้องบอกตื่นเช้ามามันก็เห็นเราจูงมันพาเราไปกินยานมันก็ดีใจเนี่ยมันรู้แบบนั้นไงมันก็เลยไม่ต้องคุยกันมากพอชาวนาพามันไถนาก็ไถเลยเพราะมันรักเราเห็นไหมอันนั้นคือตัวปัญญาเป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่ต้องผ่านภาษาตอนนี้ภาษาบ่งบอกนิสัยเห็นไหม จบภาษาเจ็ดแปดภาษาคุยจ้อไปทั่วโลกได้แต่คุยกับลูกเมียไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้ภาษาอันนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษบอกซัมติ่งรองความรู้นั้นมีอะไรผิดปกติแน่ๆถ้าเป็นความรู้จริงเนี่ย mm hmm. ก็คุณเก่งภาษาแล้วทำไมคุยกันไม่รู้ภาษาส่วนมากตอนนี้เป็นความรู้ผิดเรียกว่าเอาวิชา mm hmm. ก็ การอวดรู้กับการหลงในความรู้แตกต่างกันอย่างไรคะและควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะไม่ให้เข้าข่ายในสองทษฎีฝืนกิเลสคนอวดรู้ก็เป็นกิเลสเขาเนี่ยชอบอวดรู้ไม่รู้อะไรขอขอให้ขี้คุยไว้ก่อนนะนี่คือกิเลสถ้าเราฝึกจิตแล้วเรามีสติเราก็รู้เท่าทันกิเลสก็อย่าไปทําตามมันเห็นไหมความคิดก็เป็นกิเลสมันคิดตามกิเลสไม่ต้องทําอะไรเลย รู้เฉยๆว่ามันกำลังคิดอย่าไปคิดตามมันถ้าไม่คิดตามมันปุ๊บความคิดมันก็ดับเหมือนกันเหมือนกันที่เราเวียงทิ้งเวียงทิ้งทุกวันนี้ที่เรารู้ๆู้รู้ศัพว่ารู้ศัพท์ว่าเห็นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้เพื่อรู้เท่าทันกิเลสเรานะคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัยจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะก็อันนี้เราตั้งแต่เด็กๆเราก็เรียนแล้วเนี่ยเาสอนเด็กๆ เเด็กเลี้ยงแกะเห็นไหมแล้วโกหกบ่อยๆแล้วต่อไปเราพูดความจริงคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อเราผลก็คืออย่างนั้นคุณทําอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมคุณหลอกเขาได้ครั้งสองครั้งพอคุณหลอกต่อไปเขาก็ไม่เชื่อคุณแล้วทั้งที่ที่คุณพูดความจริงตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเราเลยนี่คือผลกรรมไงผลของการสร้างว จ, จีกรรมโดยการโกหกในกรณีที่มีเจตนาไม่ดี เพื่อหวังผลประโยชน์หรือเอาความดีใส่ตัวและในกรณีที่พูดเล่นๆให้ตลกไปๆวันๆหนึ่งเนี่ยนะพูดเล่นพูดเสียดสีพูดสอดเสียดอะไรอะไรเนี่ยถ้าสมัยก่อนคนโบราณเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาจะใช้วิธีคุมกำหนัดไม่ใช่คุมกำเนิด เขาใช้วิธีป้องกันไม่ใช่แก้ไขนะโดยเฉพาะสมัยโบราณเขาบอกอาชีพเต้นกินลำกินก็คือนักแสดงนั่นละ่ะมันเป็นมายาทั้งสิน้น<อ>เขาจะหลีกเลี่ยงแต่ตอนนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันะจะเป็นดาราเป็นอะไรพวกนี้นะและดาราเนี่ยทุกคนก็เหื่อดารา เออเขาลักกันเขาแต่งงานกันเออดีใจกับเขาอีกไม่กี่วันมันก็เลิกกันเพราะเมื่อเราเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยนิสัยตัวเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ไม่เคยจริงใจกับตัวเองเลยกับคนอื่นเลยนะมันก็เป็นกรรมที่เราต้องรับนะแต่ถ้าทางพุทธศาสนาหรือทางแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงการพูดเล่นๆพูดจริงทำจริงถ้าทำไม่ได้อย่าพูดนะ พูดแต่น้อยอันนี้พูดเล่นๆ เ, เอาเอาคำพูดเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่นๆแล้วนะเพื่อความสนุกสนานเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างวัจีกับคนที่เข้ามาแทรกแซงในสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมจะเป็นบาปไหมคะแล้วเขาเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะ ตอนนี้เรามีหลายอาชีพตำรวจก็เป็นอาชีพหนึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายมีทั้งปืนมีทั้งกฎหมายมีทั้งอำนาจทุกอย่างนะเราก็เป็นคนที่รู้กฎหมายที่สุดแต่เราไปทําผิด s e เองเนี่ mm hmm. ก็ถูกลงโทษหลายต่อนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม แต่ไม่ใช่ปฏิบัติทำแค่หน้าฉากหล อ, อกกันเฉยๆและรับหลังนี่ไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำเน่เราหล อ, อกคนอื่นได้เราหล อ, อกจิตเราไม่ได้นะอย่าพึงกระทำอย่าว่าแต่สถานธรรมเลยไปสถานที่แห่งอื่นๆก็ช่างเนะถ้าเราเจตนาไม่ดีไม่แต่จะไปโปหกเขาไปไปขโมยของเขาอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นกรรมนั่นแหละมันผิดศีล น, นะศีลคือความปกติศีลคือความปกติ แต่ถ้าเราทำพฤติกรรมเราไม่ปกติความไม่ปกติคือชอบเอาเปรียบเขาชอบขโมยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความปกติความปกติคือว่าหิวก็กินง่วงก็นอนนะนี่คือความปกติแต่ตอนนี้ชีวิตเราไม่ปกติเพราะเรามีความอยากเยอะเราก็เลยทำอะไรผิดผิดศีลซึ่งมันผิดกับความปกติอันนี้ก็เป็นกรรมนะคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนั่งเวียงอย่างเดียว คือหมุนโยกขยับอยู่กับที่โดยไม่มีท่าทางอื่นๆเช่นลำตีลังกากริง่งหมุนเป็นวงกลมอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ถือว่าผ่านไหมคะซึ่งจากเดิมที่เคยทำผ่านมามันมีท่ามาตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันควรทำอย่างไรต่อไปให้รู้ ดูมันต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับทำต่อไปทำไมเวลาเราหวังดีกับคนอื่นแล้วกลับเหมือนว่าเราไปอเอาแรงเนาะเราไปเสือกเรื่องของเขามากเกินไปทำไมเพราะอะไรก็าถามตัวเองสิมาถามพรอครูทำไมก็มีคำตอบแล้วว่ามันเสือกไงก็อย่าเสือกสิ นะอะยาคือที่มาของทุกขจิตส่งออกคือสมูททยนี่แหละคนฝรั่งเวลาเขาจ่า ก, กันเขาบอกว่า Take care of y o u r s เ l f ดูแลตัวเองนะมันเป็นการเตือนสติอันนี้เราไม่เคยดูแลตัวเองหรอกลืมตาก็ไปเสือกเรื่องคนอื่นก็รู้อยู่แล้วก็อย่าทำซะเห็นไหมทำแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันทุกข์ไง ดีไม่ดีเขาด่าแล้วด้วยมึงอย่าเสือกกับเรื่องของกูใช้ภาษาแรงมากนะแต่แรงแค่นี้ไม่รู้จะจะหลุดหรือเปล่านะอาจารย์พุทธทาตสบอกว่าตัวกูของกูขนาดแรงแล้วกูยังกอดตัวกูเหมือนเก่าเพราะกิเลสมันชอบไงนะก็รู้ว่ามันเสือกก็อย่าไปเสือกเนาะไม่ดีนะอยู่กับตัวเองเอาตัวเองให้มันพ้นก่อนทําไมทุกครั้งที่เราเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบมากๆ แล้วรู้สึกไม่ชอบทุกครั้งเลยคะก็ใช่สิก็คุณไม่ชอบมันก็ไม่ชอบสิก็เปลี่ยนอารมณ์ให้มันชอบได้ไหมล่ะ <c oughs> อันนี้คําตอบคําถามมีคําตอบอยู่ในตัวแล้วนะก็เราหาเรื่องไม่ชอบเขาเราก็เจอหน้ามกันมันจะชอบได้ยังไงล่ะมันก็ไม่ชอบสินะมันเป็นเรื่องในลูกเพราะครูเคยบอกว่า เราเกิดมาไม่เคยรู้จักในกอเจอหน้าปุ๊บถูกชะตามากเลยเจอในขอหมันไสมากเลยวิทยาศาสตร์ตอบซี่ตอบซี่ตอบซี้มันทำไมนี่คือไม่คำถามนี้แหละมันเป็นจิตบันทึกมันเป็นความพยาบาทต้องแก้โดยอโหสิกรรมผู้เจ้าล็อกไปหมดแล้วไม่ใช่พูดเลื่อนลอยเฉยๆมีทางแก้หมดนะอภัยทานซะอโหสิกรรมซะ เห็นเปลี่ยนจากกรรมกายเป็นอโหสิกรรมไม่งั้นเราก็จะแบกภูเขานี้อยู่ในอกไปตลอดเวลานะทีนี้อะไรคือวางอะไรคือว่างวางคือววแหวนสระอางงองูว่างคือววแหวนสระอางงองูไม่เอกมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันไงไอตัวหนึ่งมีไม่เอกตัวหนึ่งไม่มี ไม่รู้ถามอะไรเนะมาะมาสอบภาษากับพ่อครูเนาะก็มันเห็นอยู่แล้วมันต่างกันเพราะไอ้ตัวหนึ่งมีไม่เอกตัวหนึ่งไม่มีใช่ไหมเนะเรายกเราก็หนักเราวางเราก็เบาเนี่ยแต่ตัวนี้มันเป็นเรื่องของวัตถุนะเป็นความรู้สึกต่อน้ําหนักของวัตถุนั้นๆจริงๆแล้วสุขทุก มันเกิดที่ความรู้สึกของอารมณ์นะของความรู้สึกของอารมณ์มันไม่ใช่ยกนกยกดูว่ามันหนักมันเบกบางคนหนักเขาชอบนะยกตัวอย่างนะเขาให้ทองคำก้อนหนึ่งหนักนี่ชอบไหมหนักไม่กลัวมีอีกไหมเห็นหอันนั้นหนักเป็นน้ำหนักของวัตถุนะพอระวางปุ๊บ มันเป็นความเบาจากวัตถุนั้นบางเดินเขาไม่พอใจนะถูกบังคับให้วางทองคาเนี่ยมันกับทุกนะเห็นหแต่คำคำว่าวางในที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะวางบางคนบอกพ่อครูว่ายังวางไม่ลงลูกยังเล็กอยู่เป็นหนี้สินเขาเยอะแยะวางได้ยังไงวางไม่ได้แปลว่าทิ้งไม่ได้ทิ้ง ถ้าวางไปได้ทิ้งเราเป็นหนี้ธนาคารมันร้อยล้านพันล้านบอกให้เอธนาคารฉันวางเลยนะเธออย่ามาทวงฉันนะเงินทองก็สมมติหนี้สินก็สมมุติฉันวางแล้วถามว่ามันยอมไหมเห็นไหมเป็นหนี้ก็เป็นหนี้สิเราสร้างขึ้นมาเองเราจะไปทุกข์กับมันวางความยึดมั่นถือมั่นวางความทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไม่วางเราก็ทุกอยู่นั้นแหละนะทุกจะนอนไม่หลับนอนไม่หลับกับสิ่งที่เราไปสร้างมาเราไปสร้างหนี้เองเห็นไหมล่ะ เอากลับกันแล้วไม่มีหนี้นะเรามีลูกหนี้เต็มเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราเป็นเศรษฐีไงปล่อยกู้ปล่อยกู้พอเขามาจ่ายมาก็ทุกอีกเห็นไหมเธอทําไมไม่จ่ายฉันเธอโกงเงินฉันเหรอทำไมถ้าเราไม่วางตัวนั้นเน่ะเสียเงินไม่พอนะเสียใจด้วยนอนไม่หลับด้วยสุขภาพเสียด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโง่สำสกัก เพราะเราไม่วางที่เราไม่วางเพราะกิเลสไม่ยอมบางมันยึดมั่นถือมั่นนะทีนี้ถ้าเราวางได้มันก็ว่างจิตมันก็ว่างว่างจากความกังวลความห่วงใยความทุกข์ว่างนี่คือผลของการวางวางแล้วก็ว่างนะพอกูก็พูดบ่อยๆว่าธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความบุตรพ้นหลุดพ้นจากบ่วงของกระแสกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงวางความคิดมั่นถิมันแล้วเราจะว่างจากสิ่งเหล่านี้ว่างคำว่าว่างจากกระแสกรรมไม่ใช่กรรมมันหมดนะอย่างเจ้าชายศิทธรรมในวันวิสาขาบูชา ตัดสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บรรลุแล้วจบแล้วแต่กรรมหมดไมไม่เทวทัตยังเล่นงานพระองค์เลยพระองค์ไปเปลี่ยนกรรมคนอื่นไม่ได้มันมันทึกอยู่ในจิตเขาก็ยังมีพยาบาทแต่กระทบไม่กระเทือนจิตเราไม่ง่ที่จะไปทุกข์กับมันกระทบแต่ไม่กระเทือนนะเราแก้ตัวเองได้เราแก้คนอื่นไม่ได้นะแม้กระทั่งช่วงนี้เรากาลังดูขึ้น ภาพยนต์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกนะเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะผู้เจ้ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะก็ยังโปรดเทวทัตไม่ได้โปรดอาชาติศัตรูไม่ได้เห็นไมก็พิสูจน์แล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนะ วางจึงไม่ได้แปลว่าทิ้งหน้าที่แต่วางความยึดมั่นถือมั่นนะความหลงในหน้าที่นั้นซึ่งมันเป็นสาเหตุทำให้กลายเป็นภาระหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าว่าเราไปหลงหน้าที่นั้นมันจะพัฒนาจากหน้าที่กลายเป็นภาระหน้าที่ตอนนี้แบกละ คำว่าวางคือวางภาะระทุนนั้นซะสัตว์แต่ว่าทำหน้าที่ทำเพราะทำมันเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้ทุกอาชีพทุกหน้าที่ที่เราทำถูกกระตุ้นให้กลายเป็นภาระทั้งหมดเพราะเราต้องแข่งขันด้วยแค่พออยู่พอกินไม่พอละต้องเก่งกว่ามันต้องชนะมันต้องเจริญเติบโตนะต้องเจริญ เราเข้าใจว่าเจริญเติบโตแล้วค่อยมั่นคงจริงๆแล้วนี่เจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงสโนยหนึ่งเราเข้าใจภาษาพิษว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีนะว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีเราก็มีลูกมีเต้ามีบ้านมีอะไรเหมือนเก่าแต่ว่างจากความที่เราไปยึดติดมันว่าเป็นของเรามันก็มีเหมือนเก่าแต่ไม่ไปหลงมันนั่นแหละ คำว่าอยู่กับความว่างๆคือไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะพวกครูยกตัวอย่างมาเมกกาใหม่ๆแล้วก็เดินทางไปประเทศจีนบังเอิญเจอชาวสกอตแลนด์ก็เดินทางไปด้วยแล้วก็คุยกันพวกครูก็ยกตัวอย่างให้เขารู้ว่าวงกลมหนึ่งเราแบ่งครึ่ง น, นะครึ่งหนึ่งนี่มีทุกอย่างเลยนะมีมีทุกอย่างเลยอีกครึ่งหนึ่งแบ่งว่างไม่มีอะไรเลย เรายืนอยู่ในส่วนที่เรามีทุกอย่างเลยแล้วก็มองไปทางน้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเลยเราว่างเปล่าแต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงส่วนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรามองไปอีกทางหนึ่งว่าหุ้ยทุกอย่างเยอะแ ย, ยะมากมายมันเป็นแค่อุปท า, านแลวสุดท้ายเราจะรู้สึกยังไงก็ช่างรู้สึกว่าเรามีหรือไม่มีก็ช่างเพราะเราตายแล้วเนี่ย <S <S อะไรก็เอาไปไม่ได้มันเป็นแค่อุปท า, านของจิต ว่างจากความมีมีแต่ไม่ติดว่างจากความอยากมีอยากเป็นอยากรักษาไว้นะว่างจากความกลัวว่างจากสิ่งปรุงแต่งว่างจากสมมุติว่างจากความเศร้าว่างจากความรู้สึกไม่อิสระว่างจากความทุกข์นี่คือความว่างความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ อิสระคือความว่างแต่ไม่ว่างที่เราคิดเราเองนะมีหลายปีก่อนพ่อครูเข้าไปในเมืองอุบลญาติธรรมที่อุบลในครอบครัวนี้เนี่ยเขาออกรถทันใหม่เขาก็จะเอาคําพูดพ่อครูวิ่งวนเวียงวางว่างคุณคือสิ่งที่คุณทําไปติดหลังรถเขาปีนั้นเขาก็จูงแขนพ่อครูบอกพ่อครูจับรถเขาหน่อยพ่อครูเจอไม่เป็นนะนะมีแต่เหยียบรถเป็นเนาะขอให้จับหน่อย เขาก็ชี้ให้ดูเนี่ยล้างรถเขาเฉียนข่าว่าว่างพวกครูบอกว่ามันไม่ว่างแล้วมันว่างอยู่ดีๆทําให้มันไม่ว่างมันเป็นแค่อุปทานแต่ถ้าว่างจริงๆว่างจริงๆนั้นใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้นะใครเปลี่ยนให้มันไม่ว่างไม่ได้นะถ้าว่างจริงๆทุกวันนี้เป็นว่างว่างจากงานไม่ต้องไปทํางานเราบอกเราว่างนะ อันนั้นว่างจากงานเฉยๆแต่จิตเราไม่ได้ว่างยังหาวิธีเลยว่าเอ้ยว่างๆนี่จะไปทำอะไรอีกเห็นหมมันยังไม่ว่างจริงๆมันยังหาเรื่องอยู่นะก็ว่างกับว่างก็จบอยู่ที่ตรงนี้อิสระภาพดำเนินไปพร้อมๆกับความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคง ถ้าเราคิดว่าเราจะให้ชีวิตเรามั่นคงเนเราจะไม่มีวันได้รับอิสรภาพเราจะไปรักษามันไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเราไปฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติเราจะไม่มีวันมั่นคงจริงๆเราจะไม่มีวันมีความรู้สึกอิสรภาพจริงๆอิสรภาพต้องดำเนินไปพร้อมๆกับความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงนะขอให้เรายลอมรับมันรู้เท่าทันมันนะนั่นแหละเราจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้น โอเคก็เป็นเรื่องเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่อิงนวณิยายซึ่งเกิดขึ้นในศูนย์ในช่วงนี้น26ปีพรอครูอยู่ที่นี่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเรียกคำว่ามีขโมยเข้ามาในศูนย์พ่ะครูค่อนข้างแน่ใจว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีนะ แล้วก็ไปหาข้อมูลจากทางเจ้านี้ตำรวจ ล, ล้วก็เจอเหมือนกันว่าหมู่บ้านข้างเชียงแถวนี้มีเยาวชนนะหลายกลุ่มแล้วติดยาเสพติดแน่นอนติดยาเสพติดแล้วเขากล้าทำอะไรทุกอย่างนะแล้วเขาจะมาตอนช่วงที่เราอยู่ในศาลานี่แหละนะจากหกโมงกว่าไปถึงสามทุ่มเนี่ยนะสามสี่ครั้งที่เกิดขึ้นในนี้นะแรกๆก็เข้ามากุฏิพระภิกษุท่านนะ ทีนี้พ่อครูจะพูดเรื่องนี้คำว่าขโมยขโมยของมีสองพยางแล้วก็ขโมยนี่คืออะไรนะขโมยคือผู้แอบไปเอาของคนอื่นเรียกว่าขโมยนะของคือทรัพย์สินเงินทองวัตถนะุสิ่งของนอกก่าย ขโมยเขาขโมยแล้วเขาได้อะไรเขาได้ของคนที่ขู่ขโมยเนี่ยได้อะไรได้เสียของคนหนึ่งได้ของคนหนึ่งเสียของนะคำว่าหายคือสูญเสียของหายมือถือหายเงินหายคือเราสูญเสียมันผู้ผู้สูญเสียก็เสียใจนะเขาขโมยทําไม เพราะเขาอยากได้เขาถึงขโมยนะขโมยเพราะเขาอยากได้เขามีความอยากคือตัณหานะเพราะเขาอยากได้ถูกขโมยเพราะอะไรเพราะมีให้ขโมยเพราะเรามีของให้มันขโมยนะเรามีของเพราะอะไรมีเพราะเราอยากมีก็อยากเหมือนกันขโมยก็มีความอยาก คนมีของให้มันขโมยก็มีความอยากนะอยากเพราะมีผู้อยากไอขโมยมันมันมันอยากได้เพราะมันมีตัวมันมันมีผู้อยากและคนมีของเพื่อให้ขโมยมันขโมยเนี่ยก็มีผู้อยากนั่นแหละเราถึงจะมีของนะมีตัวกูก็เลยมีของของกูนะตามไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นธรรมะ จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องภายในเนี่ยมีหลายคนเตือนพ่อครูว่าอย่าพูดแรงเดี๋ยวคนจะรู้มันจะเสียชื่อศูนย์วันนี้พ่อครูพูดปุด๊บจะออกไปทั่วโลกทันทีเลยนะเราต้องสู้ความจริงไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ทุกคนได้มีเรียนรู้ไม่ใช่ถูกขโมยเสียของไปเฉยๆนะเหมือนต้องรู้ว่าเราได้อะไร มีผู้อยากมีเพราะอะไรผู้อยากมีมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเรามีอวิชชาเรารู้ผิดว่ามีแล้วมันมั่นคงมีแล้วมันดีใจมีแล้วมันรวยมีแล้วมันมันมันมันมันชอบใจยังไงเพราะเรามีความรู้ผิดมันก็สร้างตัวตนสร้างผู้อยากมีขึ้นมาผู้อยากมีก็หามาให้มันมีนะไอ้ขโมยมันก็อยากมีมันก็เลยมาขโมยไปไงนะ จริงๆแล้วศีลคือความปกติของจิตปกติคือหิวก็กินง่วงก็นอนเท่านั้นเองไม่อยากได้อะไรเพิ่มเติมนี่ไหมนั่นคือนั่นคือความปกตินั่นคือคือธรรมะทีนี้วันนั้นเกิดเกิดเหตุครั้งสุดท้ายเนี่ยหกห้องแถวนั้นเน่ยเขาเข้าไปหมดเลยนะบังเอินว่าสามห้องว่างอยู่ไม่มีใครอยู่อีกสามห้องนั้นน่ะ ถามดูแล้วคนนี้ก็เสียมือถือมือถือแล้วก็มีเงินด้วยมีอะไรอะไรด้วยบางเอิญมีญาติธรรมคนหนึ่งเพิ่งมาจากต่างจังหวัดของเขายังไม่เอาลงจากรถเข้ามาสาลากอ่อนแล้วคืนนั้นหายปุ๊บคนที่ของหายได้ยินว่ามีบางคนเขวอยวายเพราะเขาเขาเสียใจที่ของเขาหายตื่นเช้ามายาติธรรมที่มาใหม่ไม่ได้ลาพ่อครูเลยนะฝากปัจจัยมาทำบุญกับพ่อครูบอกปุ๊บบอกว่า ฝากบอกพวกครูด้วยเขาเพิ่งมาครั้งแรกเขาเสียความรู้สึกเขาไม่สบายใจนะมีคนโวยเขาก็เข้าใจว่าเขาไม่สบายใจนะเขาก็เลยเตือนฝากบอกพุกว่าน่าจะมีเหล็กดัดนะหรือว่าวงจรปิดนะปุกก็มารายงานนะถ้าในศูนย์นี้มีเหล็กดัดนะพวกครูจะไม่อยู่ศูนย์ พเหเหาอคุยอยู่เหล็กดัดมาสี่สิบปีแลยนะสร้างบ้านคฤหาสน์หลังบากใหญ่เลยสร้างกำแพงยังก็ยังก็ยังก็คุกตรางมีเหล็กดัดหมดเลยนะไฟไหมบางทีหากุญแจไม่เจอออกมาไม่ได้ก็ถูกมันไหมทิ้งถ้าอยู่อย่างอารมณ์แบบนั้นจะไปอยู่ดีกว่านะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุทั้งหมดคือมีเพราะมันมี สาเหตุคือมันอยากมีต้นเหตุคือมีผู้อยากมีมีผู้อยากผู้อยากมีเพราะมีอวิชชาเพราะครูเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเคยยกตัวอย่างว่ามีเด็กชายแดงเด็กชายดอนเนี่ยวิ่งร้อยเมตรแข่งกันพอไปถึงห้าสิบเมตรเด็กชายแดงล้มลงไปร้องไห้ แม่ก็วิ่งมารักลูกมากเลยไม่ฟังยิโรยิเนรู้แต่ว่าลูกทุกเพราะมันร้องไห้แม่จะดับทุกให้ลูกว่าลูกหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้แม่จะขาดใจตายเดี๋ยวจะซื้อขนมให้ซื้อจักรยานให้ให้อามิตรลูกเพราะว่าแม่ก็ทุกกว่าลูกแม่รู้ว่าลูกทุกเพราะลูกล้องไห้ถ้าลูกหยุดร้องไห้แล้วลูกก็ไม่ทุกทีนี้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาคุณแม่ต้นเหตุที่ไอแดงมันร้องไห้เนี่ยเพราะมันล้มเห็นไหมหัวเข่ามันแตก เหตุที่มันร้องไห้เพราะมันลม้มอีกคนนึงวิ่งมาเนี่ยเธอไม่เห็นฉันเห็นชัดกว่าเธอเลยที่เจ้าแดงมันล้มเพราะมันขาดขาตัวเองไม่มีใครผลักมาเลยอีกคนนึงวิ่งมาเนี่ยฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่เจ้าแดงมันขัดขาตัวเองเพราะมันวิ่งไวเกินไปมันซอยใหญ่เลยทีนี้คนสุดท้ายนี่เป็นเพื่อนสนิทเจ้าแดงมากว่าพวกเธอเงียบๆพวกเธอไม่รู้จริงเนย ฉันเนี่ยรู้จริงที่เจ้าแดงมันวิ่งไวเนี่ยเพราะมันอยากชนะมันจบที่ความอยากมันหายร้องไห้พรุ่งนี้มาโรงเรียนเพื่อนบอกมามาวิ่งกันใหม่แม่กูสู้มึงไม่ได้มาชกมวยดีกว่าชกไปชกมาไอ้เจ้าแดงก็โชคร้ายอยู่บังเอิญเผลอโดนเขานอกลงมาก็ร้องไห้อีกไงที่มันทุกข์เพราะมันอยากชนะเพราะมันมีความอยากเหตุสาเหตุต้นเหตุ ผู้เจ้าก็ตัดไว้แล้วละทุกสมุทัยนี้โลดมักอะไรคือตัวทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกสมุทัยคือตัวเหตุแห่งทุกคือตัวตัญหาคือตัวอยากตัวตัวอยากทั้งนั้นแหละนะขโมยก็เป็นผู้อยากผู้ถูกขโมยก็เป็นผู้อยากไม่ต่างอะไรกันมากอยากได้อยากมีมีแล้วก็อยากรักษาไว้ พอโดนขโมยก็เลยทุกข์เเพราครูเพิ่งพูดเร็วๆนี้เหรอ26ปีอยู่ที่นี่พ่อครูไม่เคยมีของหายเลยเพราะไม่ใช่ของพ่อครูสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปหายได้ยังไงแล้วก็วันนั้นคือทั้งสี่ครั้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของศูนย์เองเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะทีนี้ญาติธรรมเขาก็ไม่ทําก็ไม่ได้ โอเคเขบอกให้ประธานมูลนิธิกูโก้ไปแจ้งความไว้อะไรๆสามครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทําไมไมัมาแจ้งความนะแจ้งมาแล้วสี่ครั้งเขาก็พูดเพิ่มเขาไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรล้วก็ทําตามหน้าที่ตรงนั้นทีนี้ก่อนสรุปนะพ่อครูก็จะมีนิทานทำพูดเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นสองพันห้าร้ กว่าปีก่อนในประเทศจีนเรื่องนี้ยังไม่ล้าสมัยนะฟังดีๆนะในยุคนั้นท่านเล่าจือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากท่านเป็นปราบเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งในประเทศจีนจั ก, กรพัฒน์ได้ขอร้องท่านเล่าจือให้ช่วยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้วิพากษาสารดีกา ก็ เ, เห็นว่าไม่มีใครจะสามารถนํากฎหมายมาบริหารประเทศได้ดีกว่าท่านเล่าจือท่านเล่าจือพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกกับองค์จกักรพรรดิว่าหม่อมชันไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมแต่องค์จกักรพรรดิก็ยังคงลบเล้าแถมบังคับจนในที่สุดท่านเล่าจือต้องพูดขึ้นว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่ยอมเชื่อหม่อมชัน ขอเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นพระองค์ก็จะเห็นว่าหม่อมชันนั้นไม่เหมาะสมที่จะทําหน้าที่นี้ที่หม่อมชันพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่ผิดก็คือตัวระบบแต่เพื่อเห็นแก่พระองค์หม่อมชันจะไม่ขอขยายความในตอนนี้พูดได้แต่เพียงว่าหลักการของหม่อมชันนั้นตรงกันข้ามกับหลัก ของกฎหมายกฎระเบียบและระบบทางสังคมโดยสิ้นเชิงไม่เชื่อก็ลองดูก็แล้วกันในวันแรกของการรับหน้าที่นี้มีการนำโจรที่ได้ขโมยทรัพย์สมบัติจำนวนมากจากเศรษฐีผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองหลวงมาขึ้นศาลหลังจากท่านเล่าจือได้ฟังความแล้วก็ได้พิพากษา ให้นำโจรและเศรษฐีผู้ที่ถูกขโมยทรับสมบัตินี้ไปจำคุกไว้คนละหกเดือนวันนั้นใครของหายบ้างเตรียมตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อครูจะเชิญเข้าไปจำคุกเศรษฐีโวยขึ้นมาว่าท่านทำอะไรของท่าน ฉันเป็นผู้ถูกขโมยถูกโจรขโมยทรัพย์ ส, สมบัติถูกปล้นแต่ฉันกลับถูกส่งเข้าคุกเป็นเวลาเท่ากับโจร น, นี่มันเป็นการตัดสินแบบไหนกันท่านเล่าจือพูดว่าจริงๆแล้วข้าว่ามันไม่ยุติธรรมกับโจรเลยนะท่านสมควรจะถูกจำคุกมากกว่าโจรเสียอีก เพราะว่าท่านได้สะสมเงินทองไว้เป็นจำนวนมากเพื่อตัวท่านเองท่านได้ริตรอนสิทธิ์คนมากมายที่จะได้มีเงินความโลภของท่านได้สร้างโจรพวกนี้ขึ้นมามากมายมันเป็นความรับผิดชอบของท่านท่านคือสาเหตุของอาชญากรรมครั้งนี้วันนั้นใครโวยไม่ใช่ไปขังหกเดือนนะถ้า ขโมยแล้วเออนั่งเสียใจหน่อยหนึ่งโอเค6เดือนเท่ากับโจรถ้าโวยด้วยเนี่ยต้องคูณด้วยสองปีหนึ่งนะวิธีคิดของท่านเล่าจื่อนั้นชัดเจนอย่างที่สุดเพราะถ้าหากมีคนจนมากมายในขณะที่มีคนรวยเพียงน้อยนิดไม่มีทางใดที่เราจะหยุดการขโมยได้หนทางเดียวเท่านั้น ที่จะหยุดสิ่งนี้ได้ก็คือต้องทำให้คนในสังคมเลิกสะสมเลิกสนองความโลภของตนทุกคนมีได้แต่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานเท่านั้นเศรษฐีพูดขึ้นว่าก่อนที่ท่านจะส่งฉันไปเข้าคุกฉันต้องการจะพบกับองค์จต ก, กระพัด เพราะสิ่งที่ท่านทำนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้ทำตามกฎหมายประเทศท่านเราจือพูดว่านั้นเป็นความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญเป็นความผิดพลาดของกฎหมายข้าไม่สามารถทำอะไรในเรื่องนี้ได้ดีถ้าเช่นนั้นเราไปเฝ้าองค์จั ก, กรพรรดิด้วยกัน เศรษฐีทูลองค์จั ก, กรพรรดิว่าขอพระองค์จงฟังหม่อมชันชายคนนี้คงชายคนนี้ควรจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในทันทีเขาเป็นบุคคลที่อันตรายยิ่งวันนี้หม่อมชันกำลัง จะถูกนําไปคุมขังพรุ่งนี้พระองค์อาจจะถูกขังด้วยเช่นกันหากพระองค์ไม่อยากกระตกอยู่ในอันตรายพระองค์ต้องโยนชายคนนี้ออกไปเขาเป็นคนที่อันตรายจริงๆเขาสามารถใช้เหตุผลจนทํำให้เราจนมุมได้หมอบชั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างแต่เขากําลังจะทําลายพวกเราทุกคน องค์จั ก, กรพรรดิเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีทรงล้ำพึงกับตัวเองว่าถ้าหากสิ่งที่เศรษฐีทํานี้ถือว่าเป็นความผิดเราเองคงจะเป็นคนที่ทําความผิดร้ายแรงที่สุดในประเทศนี้เล่าจือคงจะไม่ปลาณีเราแน่แน่แล้วในที่สุดท่านเล่าจือก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งนะ ท่านเล่าจื่อกล่าวกับพงศกพัฒน์ว่าหมอมชั้นบอกพระองค์แล้วว่าอย่ามาเสียเวลากับหมอมชั้นหมอมชั้นไม่ใช่คนที่เหมาะสมปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่สังคมของพระองค์กฎหมายของพระองค์และธรรมนูญของของพระองค์สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันไม่ถูกต้องคนที่พระองค์ต้องการก็คือคนที่มีวิธีคิดแบบผิ ด, ผด เพื่อจะได้มาจัดการกับระบบที่ผิดๆเหล่านี้ได้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเห็นไหมพวกครูเคยบอกตลอดเวลาพวกครูเคยอบรมตำรวจนะบอกพวกครูไม่ได้ยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้งพวกครูยึดกฎแห่งกรรมเป็นที่ตั้งพวกครูบางครั้งทาผิดกฎหมายนะลุงคําดีสายแววเป็นเกษตรกรดีเด่นในหมู่บ้านนี้ปีนั้นอะไสติ่งแตกนะต่างดึกลูกก็มาตามพวกครูพวกครูก็ส่ง ขับรถผิดกฎจราจรส่งไปอนามัยก่อนเขาก็ะกักตัวไว้วันหนึ่งนะไม่หายก็ส่งไปที่โร ง, งพยาบาลพี่บุญเขาก็ะกักตัวไว้อีกสองวันนะไม่หายก็ส่งไปที่อุบลเขาเอ็กซเลยว่าเป็นไข้ติงเขาก็ผ่านะพ่อครูผิดกฎหมายเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่ถ้าตารวจจับพ่อครูได้ว่าเธอทําไมขับเร็วเนี่ยนะกฎหมายบอกว่าถ้าขับเร็วปุ๊บถูกปรับ พ่อครูก็ยอมเสียค่าปรับทำบุญกับประเทศาชาติพราครูก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอีกแต่ถ้าเราไปยึดมั่นกฎหมายแล้วมานั่งทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้เอากฎหมายมาห้าหันกันเนี่ยนะนะคนพวกนี้ต้องไปเจอเล่าเจือ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแค่อุทาหรณ น, นะก็ถึงเราจะรู้ก็ช่างบางครั้งนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมัน ดูเท่าทันกฎหมายเนี่ยเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันถ้าไม่จําเป็นก็อย่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายคือเราทําลายสมมุติเขาไม่ฟังเราหรอกเขาอ้างว่าเธอผิดกฎหมายเธอก็ต้องถูกลงโทษนะแต่สําหรับพบครูแล้วเนี่ยนะกฎหมายไม่จําเป็นไม่ละเลยแต่ถ้าว่ากันว่ามันมีสิ่งจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเราต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะกฎหมายมันดีจริง ไม่ต้องไปเลือกผู้แทนไปแก้กฎหมายให้มันเสียสตังกฎหมายไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่สมมุตินะก็ไม่ใช่นิทานเรื่องนี้สอนว่ายังไงนะความจริงที่มันเกิดขึ้นนะที่ขโมยมาขโมยของเราแล้วก็รู้สึกเสียใจเราโวยวายแล้วก็ไล่แขกนะพกกูก็ฝากเสียงตัวนี้เนี่ยออกไปสู่ทั่วโลก ใครจะมาศูนย์ต้องตระหนักดีว่าศูนย์นี้มันจะมีขโมยอย่าเอาของมาให้มันขโมยเด็ดขาดแล้วเราโทษศูนย์ได้ไหมไม่เจ้าหน้าที่ปุ๊เขาก็เตรียมล็อกเกอร์ไว้แล้วเขาก็ติดป้ายเลยวันนั้นตำรวจมาเขายังหัวเราะเลยก็บอกว่าในศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีอย่างนี้เหรอนะอย่าเอาของมีค่าไว้ในห้อง ศูนย์นี้ก็ทำหน้าที่แล้วแต่พวกเราเนี่ยความอยากมีอยากเป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องถูกขโมยต้องดีใจเถอะเราได้ทำบุญกับโจร น, นะแต่ถ้าทุกคนฟังพวกครูเนี่ยโจรมันมาเมื่ อ, อ ไ, ไหร่เมื่อไหร่ไปงัดห้องนั้นห้องนี้เนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาไปเลยเนี่ถามว่ามันจะมาอีกไหมจ้างมันก็ไม่มาไปประกาศจะโจรโจรโจรมาขโมยของศูนย์หน่อยหนึ่งฉันจะไปทำไมไม่มีอะไรเลยทั้งหมดเราทุกข์เพราะเรามี เริ่มจากเรามีกรรมมาถึงได้มาเกิดพอเกิดปุ๊บธรรมชาติเขาก็แถมมาขันห้าอิจตนาหกเดี๋ยวก็เจ็บนนท์เดี๋ยวก็เจ็บนี่เห็นไหมที่เราทุกข์เพราะเรามีเริ่มจากมีกรรมแล้วก็มีขันห้าแล้วก็มีเครื่องมือมอำนวยความสะตนกทั้งหกเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ไปหลงมันว่านี่ตัวกูของกูเห็นไหมเมื่อตัวกูแล้วก็มีของของกูไงของของกูถูกขโมยขโมยไปกูก็เลยทุกข์ไง อย่าไปโทษขโมยนะถ้ายิงพูดเสียงดังนะไม่ใช่คนละหกเดือนนะคนดังๆนี่ต้องปีหนึ่ง <c oughs> นะทำให้พวกคูเดือดร้อนด้วยถ้าพวกเราไม่มีอะไรเนะี่ยขโมยมันจะมาสูนี่ทาไมมันไม่สเสียเวลาหรอกนะมันขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงไหนมันก็เสียค่าน้ามันไงแล้วมันขาดทุนนะมันไม่มามันมาเพราะพวกเรามีนะต้องรู้นะ แก้ปัญหาอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุเราต้องรู้ว่าเหตุสาเหตุต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนถ้าแก้ปลายเหตุปุ๊บปวดหัวไปหาหมอกินยาพาราหายปวดผลิตยามหมดปวดอีกถ้าไม่เลิกคิดตอนนี้ชีวิตเราแก้ปัญหาปลายเหตุหมดหนี่ไหมแก้ยังไง ร, รู้ไหมเขาแนะนำเราไงไปใส่กงเหล็กนะเออก้อนวงจรผิดด้วยนะ เดี๋ยวมันมามันไม่มีเงินมันจะขโมยกล้องวงจรปิดเราไปขาย <laughs> แก้โดยที่ไม่อยอมมีไม่ต้องมีนะเห็นไมถ้าจำเป็นต้องมีเห็นไหมพอมีแล้วก็ขี้เกียจหิวเห็นไหม ก, กม็มาเนี่ยสองสามชั่วโมงนี้ก็หิวมาด้วยแขนวนไวตรงนี้ก็มีคนมองไม่เป็นไรคนดูเห็นไมแต่ถ้าดีที่สุดไม่ต้องหิวก็คือไม่ต้องมีไงนะ แม้กระทั่งกินอะไรพ่อครูกินเจไหมบอกไม่กินมังกรสิรัตไหมก็บอกไม่กินเนื้อสัตว์ไหมก็ไม่่พ่อครูกินอะไรก็กินอาหารอย่ามากเรื่องได้ไหมไปไหนก็หิว้วเจไปด้วยมันไม่ไดไ้ไม่ได้วางมันหิว้วกินอาหารอย่ามากเรื่องเห็น ไ, ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าถึงตรงนี้เราเข้าใจสัจธรรมความจริงแล้วเนี่ยเรารู้เหตุสาเหตุต้นเหตุ ข, ของมันเราแก้ที่ต้นเหตุเลยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยอะไรก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้ ไม่ใช่ทุกเพราะเราไม่มีนะทุกคือเรามีทุกเพราะเรามีเนืงจากเรามีกรรมก่อนเราถึงได้มาเกิดวันแรกก็แหกปากร้องแล้วจ่ายหนี้กรรมตั้งแต่วันแรกแล่ะเห็นไหมเพราะเรามีกรรมเห็นไหมมีกรรมไม่พอมาสร้างกรรมใหม่อีกมาสร้างสะสมสมบัติต่างๆแล้วก็ให้ขโมยมา ข, ขโมยแล้วก็โกรธอีกแล้วไปฟ้องศาลอีกแล้วตัวเองถูกตัดสินติดคุกอีก ลราแก้ที่ต้นเหตุถึงเราจะมีก็อย่าไปยึดมัน่นถือมั่นของมันมีก็เหมือนไม่มีเนี่ยสักแต่ตว่ามีสักแต่ว่ารู้สักแตวเห็นมีเราก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ตำรวจไม่จับไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องขออนุญาตใครนะก็พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะ Okay, แล้วเราก็มีผู้ภาวนาตัวจะบวชเข้าปัญษาโดยเฉพาะคุณแม่ชีมะลืนนี้ก็บวชพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็เนรนะก็ให้พวกเราก็อนโมทนาร่วมกันโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณระษีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน บรรลุมัตผลนิพพานโดยไวัยเทิน